วิสัยเขตเนี่ยนะพุทธเขตก็วิสัยเขตหมายว่าชาติเขตก็คือเขตในแดนที่พระองค์เกิดแล้วก็อาณาเขตอาาเขตก็คืออาณาเขตของพระปริศชาติเขตเนี่ยหมื่นจักรวาลอาาเขตเนี่ยอาณาเขตสําหรับพระปริตเนี่ยแสนโกดจักรวาลส่วนวิสัยเขตหาที่สุดไม่ได้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 ก็เหลือแค่อีกแค่ส0มมือนกลับไปอีกไม่นานเท่าไหร่ที่จริงก็จะบรรยายให้จบก่อนไปยินเดียปะปิดจบซ้ำนะไม่จบเลยพระตถาคตออกอภินิษฐศสกมออกบวชอะนะคือพระพุทธเจ้าของเราอะและ้เ ล, ลึกไว้เสมอว่าพระองค์นั้นออกเนคขมมะออกบวชจากกรุงกบิลพัสอันน่ารื่นรมเสร็จแล้วพระองค์ก็มาตั้งความเพียรรมทุกะกิริยา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 โคตมโคตแบบอย่างที่เราสวดในอาตาาติยะสูตรก็พระอังคีระพุทธเจ้าก็คือองค์เดียวกันนั่นเองอังคีราศะแปลว่าผู้เป็นแดนเกิดแห่งรัศมีเนี่ยนะรัศมีที่ส่านออกจากประวยก็ได้พระพุทธเจ้าของเรามีพระอัคารส า, าวกชื่อว่าโกริตะโมคลานะอุปติสสะรีบุตร เป็นผู้ไม่มีอาสะวะทั้งสี่ปราศจากราคะที่นำไปสู่พบมีจิตสงบตั้งมั่นด้วยอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นต้นพระองค์มีพระพุทธทาอุปถากดูแลบารุงเป็นปกติคือพระอนันท์เนี่ยนะ2ี่สิบห้าปีสุดท้ายยิ่งเป็นเหมือนเงาติดตามตัวะนะเป็นผู้ที่คอยบารุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระองค์จกมีอัคารสาวิกา สาวกผู้หญิงที่ออกบวชชื่อว่าพระเขมามเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะอดีตเมห์ีพระเจ้าพิมพิสารและอุอบุลวรรณาบุตรเศรษฐีทั้งคู่นี้ก็ไม่มีอาสวะทั้ง4ี่ประการปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นโพพฤกต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าต้นอสัทธะหมายคือว่าพระองค์นั่งอยู่ณที่โคนต้นไม้ใดรวบรวมโพทิปัจยธรรม 3าครบถ้วนบริบูรณ์ต้นไม้นั้นเรียกว่าต้นโพนะรวบรวมเรียกว่าเป็นที่สถานที่ปรุงปรุงอริยมรรสสำเร็จนะปรุงอริยมรรของพระองคอ์อันประกอบไปด้วยอะไรสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิอันนั้นก็คืออะไรวิมังสิติบาทปรุงปัญญีสีปรุงปัญญาภะปรุงธรรมวิจยะสัมโพชฌงปรุงสัมมาทิฏฐิอันนี้คือปรุงปัญญา ปรุงสัมมาสังตัปปะคือสมถะทั้งหลายทั้งสมถะวิปัสนาปรุงสัมมาวาจาปรุงสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะโดยเฉพาะทั้งเจตนาและวีรตีนะปรุงสัมมาวายมะคือสัมมประธานนะวิริยธิบาทวิริยินทรีสีวิริยะพระวิริยะสัมโพชฌงและสัมมาวายมะเป็นสถานที่พระองค์ปรุงสตินทรีสี นะปรุงสติประฐานสปรุงสติสตินสีปรุงสติพะละปรุงสติสัมโพชงแล้วก็ปรุงสัมมาสติเสร็จสิน้นเป็นสถานที่ที่พระองค์พอกพูนปรุงแต่งกุศลธรรมคือสัมมาสมาธิเนี่ยนะสัมมาสมาธิก็คือจิตติดที่บาสนะเป็นสถานที่พระองค์ปรุงสตินอ่สมมาะะสมาธินสีสมาธิพละสมาธิสัมโพชงแล้วก็ปรุง สัมมาสมาธิตั้งกระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเลยจตุตฌานเมื่อได้ฌานสีจิตเบาอ่อนควรแก่การงานแล้วก็น้อมไปเพื่อระลึกชาติเนี่ยนะเมื่อจากการระลึกชาติก็เข้าฌานใหม่ออกจากฌานก็น้อมไปพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็เข้าฌานใหม่เข้าออกจากฌานแล้วก็เจริญปฏิจจสมุบาทพิจารณาปฏิจจสมุบาทจนตรัสรู้อริยสัจ น, นะตรัสรู้อริยสัจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสถานที่ที่เรียกว่าปรุงก็โคนต้นไม้ใดเป็นที่ที่ให้พระองค์ทาวิจัยสําเร็จไม่ใช่ว่าไม่ได้รวบรวมเครื่องมือข้อมูลอะไรมาเลยมาถึงก็มานั่งนะไม่เชื่อคนที่ไปต้นโพไม่ได้บรรลุกันทุกคนหรอกเฉพาะชาตินี้นะชาติต่อๆไปไม่ทราบแต่พูดถึงว่าเฉพาะชาตินี้ยก็เราถ้าเกิดเพื่อเขาเปิดรั้วให้เราเข้าไปนั่งแท่นตรงนั้นก็ไม่ได้แปลว่า น, นะ รวมโรคอื่นมันจะกำเริบ่าสิโรคิกางขิกเลื่อนโรคเรือนเป็นต้นกุดถังนันโถกีฬาโซโสโร โ, โรคพวกนี้มันจะเข้ามาแทนอันนี้นะเนพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่ที่ควรเคารพสักการะบูชาเป็นสถานที่ที่ของผู้มีบุญท่านไปนั่งประชุมอรมารยมรตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่นะต้นไม้อันนั้นเป็นชื่อว่าต้นโพต้นอสัต t h เนี่ยนะแต่ถ้าใครอยากจะไปดูต้นจริงเลยก็ต้องไปดูที่ศีลังกา ศีลงกานั้นมีมีเก่งที่ที่ตอนไปจากต้นไม้ตรัสรู้แต่ถ้าเป็นต้นปัจจุบันนี้ก็เป็นต้นที่สี่แล้วเนี่ยนะที่ทายทอดมาเป็นหน่อมาปลูกนรุ่นที่4แล้วก็ต้นนี้ก็รู้สึกว่าเป็นต้นที่มาจากลังกานะเป็นต้นมาจากลังกาเป็นหน่อจากศีลงกามาปลูกเนี่ยนะแต่ก็แต่ที่สำคัญว่าไประลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่ ถ้าพูดถึงเหมือนดวงอาทิตย์กเรียกว่าเป็นสถานที่ดวงอาทิตย์คือปัญญาเกิดโผล่ขึ้นมาในโลกเป็นเป็นสถานที่ที่ดวงตาปัญญาเกิดขึ้นในโลกจักสุของโลกก็เกิดขึ้นเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็นอริยสัต์เป็นต้นเนี่ยนะโดยเฉพาะเห็นสัตเรียกอะไรเห็นอดีตเห็นอนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตะนะ หรือว่าเป็นดวงตาที่เห็นอริยสัจเป็นดวงตาที่รู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นดวงตาที่ชี้นําประโยชน์แก่ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้เรียว่าสั่งสอนประโยชน์ทุกอย่างเป็นสถานที่เกิดขึ้นดวงตาแห่งโลกพร้อมทั้ ง, ทงเทวโลกสถานที่ตรงนั้นก็ได้เกิดขึ้นดีใจอย่างหนึ่งบรรยายพุทธวงเศเสร็จก็ไปไหว้พระเองั้นนะนะพระอัครอุปถากอุปถาก ข, ของพระองค์ที่เป็นอุอบาสก นันนะชื่อว่าจิตตะจิตตะฤหบดีกับหัตถะอละวะกะน่ น, นะอัครอุปถายิกาของพระองค์นั่นนะนันทมาตาและอุตราก็คุชุตราุบาสิกา น, นั่นแหละพระโคดมพระองค์นั้นเนี่ยนะผู้มียศเกิดในสมัยมีพระชนมายุร้อยปียุคพวกเราเนี่นะยรุ่ก่อนเรานะ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 แล้วว่าที่พระพุทธเจ้าในอนาคตจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีกแน่นอนรอเหอสามหมื่นกับเท่านั้นแหละหมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลกก็พากันโหร้องปรบมือหัวร้อร่าเริงประคองอัญเชลีนมัสการกล่าวว่าเขาดีใจมากเลยนะอีกแค่สามหมื่นกับก็ถามว่าโอ้โหใครจะไปทนบาดทนไว้ใครจะไปอยู่ได้พอท้อ อยู่กันมาตั้งนานร้องให้น้ำตา ม, มากกับน้ำทะเลก็เห็นอยู่กันปัจจุบันเนี่ยนะก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมเสียเลือดเสียเนื้อเสียเงือเสียน้ำตา ม, มากกับน้ำทะเลก็เห็นอยู่กันมาได้แต่ไม่ใช่ทะเลนี้ทะเลเดียวมหาสมุทรทั้ง4ก็แค่ส 0,000 000, ื่นกับใช่ไหมกไม่นานเท่าไหรเนี่ยนะไม่นานตอนนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดเราพลาดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าพระโลกกนาาสุดชาติพระองค์นี้นะอนาคตต่การอีกส 0,000 ื่นกับพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านพูกนี้ พวกนี้แหละพวกที่ตั้งความปรารถนาถึงว่าไอ้ด้วยบุญกรรมหลายอย่างทําให้ไปเกิดเป็นเทวดาจักรวาลไหนก็ช่างเถอพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้พวกนี้จะมาไม่รู้มากันได้ยังไงนะแต่ว่าด้วยคำว่าพุทธโกลาหนเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะแล้วก็หมื่นโลกธาตุเนี่ยได้ส่องสว่างตั้งแต่พระองค์ประสูตรตอนที่ตรัสรู้หมื่นโลกธาตุก็ส่องสว่างมันกระเทือนทั้งกันไปหมดมันเทวดาผู้มีบุญระดับสูงเขารู้เลยว่า แสงสว่างที่มันเกิดขึ้นสว่างทั่วมื่นจักรวาลเนี่ยมันหมายถึงแสงอะไรแสงอันนี้แสงการปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์แสงอันนี้เป็นแสงการประสูต์ของพระโพธิสัตว์แสงสว่างอันนี้เป็นแสงสว่างที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้แล้วอีกกี่วันมาพระผูนี้มียนากระตังสยามเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะประกาศอริยสัจแล้วเราจะไปฟังธรรมอันผู้นี้ก็เลยในที่สุดก็ได้ฟังธรรมนะผู้นี้บรรลุกันเยอยะๆเลย ที่บรรลุไอ้จํานวนตัวเลขเป็นกโกดๆเนี่ยเพราะกลุ่มเราเนี่ยตั้งความปรารถนามาและพวกที่ตั้งความปรารถนาเพื่อจะฟังทำรวมทั้งเทวดาและมนุษย์เห็นไหมก็เลยพวกนี้ก็เลยเปรียบว่าถ้าหากว่าเราพลาดการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิหรือปฏิบัติตามแล้วไม่บรรลุทำกิจในอริยสัจไม่เสร็จสิน้นพันอนาคตขอขอให้อยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ ก็แปลว่าเมื่ออยู่ก็ขอให้ได้เข้าไปใกล้ท่านผู้นี้เมื่อเข้าไปใกล้ก็ขอให้งีโสดลงฟังทรงจำพระธรรมคําสอนที่พระองค์แล้วก็ที่สําคัญก็คือขอให้ตรัสรูบ้บรรลุทาตามที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วเปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำเนี่ยนะพลาดท่าน้ำเฉพาะหน้าก็ถือเอาท่าน้าข้างหลังขัดไปเพื่อจะข้ามแม่น้าใหญ่ฉันใด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 อธิษฐานอธิษฐานะบารมีขึ้นมาเลยเพื่อที่จะปรารบวัดอธิษฐานเพื่อที่จะให้ทานรักษาศีลเจรเนฆะธรมะอบรมปัญญาภาพเพียรด้วยวิริยะมีคันติยิ่งๆิ่งขึ้นไปตั้งสัจจะวาจามีอธิษฐานเมตตาอุเบกขาแนะทั้งบารมี1ิอุป ป, ปารมี10ปรมัตฐปารมี1ิบบีรัตเขาเรียกว่าเาเรียกว่างวดเข้ามาทุกทีทุกทีทุก ท, ท, กทีตอนแรกเหมือนกับว่า ถ้าเป็นละที่เขาบอกวกวนสมุทรให้เป็นน้ํานมเนี่ยนะเป็นเรืา่ากวนทะเลให้เป็นน้ําอัปตะนี้ก็เหมือนกันเรียกว่าบุญบารมีค่อยๆบีบเข้ามาให้มันเข้มขน้นยิ่งขึ้นไปสร้างบุญให้มันหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ปรารบที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะท่านก็เลยเล่าเรียนพระสูตรวินัยและณวังขัตสตราสตร์ทั้งหมดอย่างพระศาสนาของพระเจ้เจ้าให้งดงาม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 ตัวเองจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไอ้ระหว่างเนี่ยส0 0หมื่นกะับเนี่ยนะถ้าไม่เรียนวินัยของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ดีไม่เรียนศึกษาคําสอนเอาไว้ให้ดีแล้วถามว่ามันจะชัดเจนไหมมันต้องเรียนแผนที่ไว้ให้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยท่านตรัสรู้อะไรท่านสอนอะไรเพราะ้นเก็บข้อมูลสติติทั้งหมดเพราะว่าคือสิ่งที่ตัวเองจะเป็นในอนาคตต่อไปเพราะ้นก็เลยศึกษาเล่าเรียนทรงจําประพฤติปฏิบัติตาม ทุกประการเข้าใจเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าแทบจะทุกอย่างเป็นคนที่เข้าใจเจตนารม์ของคําสอนทุกอย่างนะนันเรื่องนะถ้าเป็นกฎหมายที่เรารู้หมดเลยพระราชบัญญัติข้อนี้มาจากอะไรมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นอนะอาศัยเหตุการณ์จินตนาการเหล่าได้จึงบัญญัติตัวบทกฎหมายเหล่านี้ขึ้นมานไนะมันมันมีความครอบคลุมแค่ไหนอะไรยังไงมีผลบังคับใช้แค่ไหนอย่างไรที่เราเข้าใจปรัชญากฎหมายทั้งหมดฉันได้ ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เข้าใจหมดเลยว่าพระพุทธพจน์แต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านี้มาจากอะไรสะแสดงทําไมเพื่อประโยชน์อะไรผู้ปฏิบัติตามแล้วอ่ะได้รับประโยชน์และความสุขเหล่าใดถ้าไม่เข้าใจก็อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็สอบถามนะถือว่าเป็นศาสด า, าของโลกอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นผู้มีบุญนะเป็นจักรพรรดิเนี่ยนะเป็นที่เกรงใจของประชาชนไม่ใช่น้อยมันก็หลายๆอย่างก็ถือว่ามีอภิสิทธิ์พิเศษสามารถเข้าเฝ้าได้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 มันก็เลยสามารถเล่าเรียนคำสอนขณะเดียวกันเมื่อเข้าใจคำสอนแล้วก็เปิดเผยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้งดงามแปลว่าแผกกว้างไกลไปในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเขาเหล่านั้นก็ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็แปลว่าช่วยเหลือ ง, งานพระพุทธเจ้าเต็มที่เนะพราะว่ากิจของพระโพธิสัตว์ก็คื อ, อาคาว่าตถาคตเนี่ยมีความหมายอธิบายหนึ่งว่า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 ศึกษาเพื่อจะเป็นทายาตรับอริยทรัพย์รับมรดกจากพระพุทธเจ้านะนะหรือไม่ก็แบบว่าพระโ พ, พ, ะพธิสัตว์ทั้งหลายหรือผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมนั้นะ่ะไม่ได้ศึกษาอริยสัจประเภทอ่นะประเภทไหนไม่ได้ศึกษาอริยสัจประเภทหรือกลุ่มที่เรียกว่าพนักงานนับเงินนับทองแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ใช้เงินใช้ทอง มีอย่างบางแห่งเนี่ยนะพนักงานนับสตังค์เนี่ยโอ้ยต้องยักยอกเขาไม่ได้เลยนะเขามีกล้องส่องตลอดห้ามยักห้ามยอกผิดกฎหมายจับทันทีนะมัมีอยู่บางประเทศเยังไงนะสถานที่มันมันมีตังค์เยอะมากเลยพอพนักงานก็ไปห้ามเอามือซุกด้วยห้ามเอามือล่วงกระเป๋าด้วยอะไรด้วยนับสตังค์ตรงนั้นไปนะถ้าเอาล่วงกระเป๋ามาแ ต, แต่แล้วขนาดนั้นเขาก็ตรวจเขาก็เช็คเนีย่ยนะแม้กระทั่งเรื่องพับกระดาษเรื่องอะไรเขาดูแลเรื่องการเงินดีมากเลย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 เพราะว่าปฏิรูปมีไม่ใช่น้อยในี่นะสัตธรรมปฏิรูปประกาสูตรพระองค์ก็ใช่แสดงว่านะเหมือนกับเงินแท้เออทองแทะกับทองปลอมถ้าสีถ้าทองปลอมมันไม่เหมือนกับของแท้เขาก็ไม่เรียกว่าทองปลอมแต่มันแสดงว่ามันคล้ายกับของแท้มันจึงเรียกว่าของปลอมหลายๆอย่างมันคล้ายอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ชันใดการศึกษาพระธรรมคําสอนก็ชั้นนั้นเนี่ยนะ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 นึกว่าของแท้ที่ไหนได้เนี่ยนะนั่นนะเก็บเอาเม็ดรกรวดมากรองหรือเต็มเคำว่าหลายแต่ช่างหลายกิโลก็นึกว่าได้พลอยได้เพชรมาเยอะแยะเลยแบบนั้นเหมือนกับว่าเข้ามาในพระาศาสนาได้อริยทรัพย์มากมายที่ไหนได้นะรับซื้อกรวดมาตั้งเยอะแยะเนี่ยนะเอาไปถมถนนเขาก็ไม่รับอีกนันก็พยายามที่ว่าศึกษาว่าเราได้อริยทรัพย์จากพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างไรบ้างและ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 เจริญตามนั้นปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าศึกษา น, นะศึกษาเมื่อนึกถึงเมือ่อรู้เมือ่อเห็นเมือ่อพิจารณาเมือ่ออธิษฐานให้มันมีอยู่ในใจคุณธรรมเหล่านี้เมื่อมีอยู่ในใจแล้วให้งอกงามเจริญเงยเงยงอกงอกเจริญยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปภาวนาเติบโตยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปนั่นแหละจนกว่า น, นะคุณธรรมเหล่านี้คู่ควรแก่การพ้นจากความทุกข์นั่นนะซึ่งอย่างพระโพธิสัตว์ท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทใน พระศาสนาเนี่ยนะก็แสดงว่าในระดับวิปัสนาญาณอย่างน้อยก็สังขารูเปกขายานเนี่ยนะหรือว่าสังขารูเปกขายานเนี่ยนะช่างระหวังวัตตะกับวิวัตตะได้เป็นอย่างดีส่วนสมถะทั้งหลายพรมวิหารท่านก็อยู่แปลว่าท่านอยู่ในเอย่ยงตามรอยอริยวิหารอยู่ในพรมวิหารแล้วก็อยู่ในทิพวิหารท่านก็จดติก็ไปสู่พรมโลกเนี่ยนะ พูดถึงศาสนาของพระพุทธเจ้า พ, พระนามว่าสุชาติเนี่ยนะพระสุชาติตพระองค์นี้ผู้สแสวงหาพระคุณสแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่สแสวงหาคุณธรรมให้แก่พระองค์เองด้วยสแสวงหาคุณธรรมให้แก่สาวกทั้งหลายสาวพรสัตว์ทั้งหลายด้วยพระองค์นั้นมีเมืองเป็นที่เกิดชื่อว่าสุมังลคลานครนะสุมังลคลานครแล้วเมืองนี้เกิดมามีมงคลเหมือนกัปฏิบัติตามมงคลได้ พระพุทธบิดาของพระองค์พระนามว่าพระเจ้าอุคตะพระชนนีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางประภาวดีพระองค์ครองคารวาตวิสัยเนี่ยนะเป็นคารวะอยู่ 9,000 ปีทรงมีปร า, าสาทสามสามปร า, าสาทชั้นเยี่ยมสามหลัง น, นะชื่อว่าสิริอุปสิริและจันทนะ มีพระมเหสีมีสนมนารีแต่งกายงดงามคอยรับใช้ดูแลบำรุงทั่วไปเนี่ยนะประมาณ23ง0 0ืนางอัครมเหสีผู้บุญบารมีของพระองค์ที่สร้างบุญร่วมกันมาก็ชื่อว่าพระนางสิรินันทาพระโอรสของพระองค์ชื่อว่าพระอุปเสนะเนี่ยนะพระอุปเสนสมัยพุทธเจ้าของเราก็มีนะพระอุปเสนน้องภาษาลิบทุปเสนวังคันตบุตรเนี่ยนะ แต่ น, นี่หมาว่าชื่อพ้องกันนะชื่อบาหลีมันก็มีอยู่เท่าเนี้มีไม่กี่ชื่อนะก็ซ้ำๆกันไปซ้ำๆกันมาเนี่ยนะก็เหมือนชื่อภาษาไทยนะถ้าชื่อคนไทยแท้ๆมันจะซ้ำกันชื่อซ้ำๆกันอยู่นั่นแหล ะ, ะนะตามมีตามมายายามีตามมาก็มีอยู่ไม่กี่ชื่อหรอกนะวกไปวนมานะก็อยู่ไม่กี่ชื่อจริงๆภาษาไทยนะพระชินพะพุทธเจ้า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 พระมหาวีระสุชาตะพุทธเจ้าผู้นำโลกผู้สงบอันเท้ามหาพรมอาราธนาแล้วพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักรประกาศอริยสัจณสุมังคลาราชุทยานอนุดมแสดงว่าแสดงพระธรรมจักรเมืองที่พระองค์ประสูตินั่นแหละมันใครที่จะไปบูชาสังเวชนิยสถานพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไปไม่ยาก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 คนเกณฑ์ว่าคนสอนพระไตรปิฎกเลยไม่รู้จะทํำยังไงเมื่อกันพองน้อมไปเพื่อให้พระเอาไงดีเมื่อกันน่ะนะบอกอะไรนะพระไตรวิฎกก็ยากยากต้องแบ่งเวลาให้ตั้งวันหนึ่งต้องหลายชั่วโมงนั่นแหละศึกษาพอจะเข้าใจได้แล้วศึกษายาวและต่อเนื่องปัญหางานเขาก็ยุงย่งยุ่งเละเรื่องกามแต่ละเรื่องยุ่งมากเลยนะ่นนนะก็เลยเข้าใจยากอริยสัจเนี่ยก็เลยคําสอนเนี่ยยากมากนี่นแหละก็เป็นอย่างนี้แหละพระองค์ก็เลยน้อมพวนขวายไม่สอน เสร็จ แ, แล้วก็พรองก็มาอาราธนาว่าคนที่พอเรียนได้พอรู้มีอยู่นะนะเสร็จ แ, แล้วพรองก็ประกาศพระธรรมจักรนะสุมังคลาราชเจทายานอนุดมพระสุชาติพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่พระองค์นั้นมีพระอัครส า, าวกคือสาวกชื่อว่าสุนันทะและสุเทวะพุทธอุปถาชื่อว่าพระนารทะอัครส า, าวิกาอุปถนะ